วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมสวรนระแปลว่าวันฟังธรรมการฟังธรรมนี้คือการเจริญปัญญา ที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงกับการมีกำหนดให้มีวันธรรมสวนะนี้เกิดขึ้นมาคือทุกวันขึ้นแปดขามแลม8ปดข้าหรือแรมสิบห้าข้าแลมสิบสี่ข้าขึ้นสิบห้าข้นี้ให้เป็นวันพระ ให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายทมได้หยุดภารกิจการทำงานต่างๆงานที่ใช้กับการหากินหาอยู่เพื่อให้ได้มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะในสมัยพุทธกาลการฟังธรรมนี้จำเป็นที่จะต้องไปที่วัดกัน เพราะไม่มีสื่ออย่างที่มีกันอยู่ในสมัยนี้สมัยนี้พวกเราโชคดีสามารถฟังธรรมได้ทุกเวลาทุกแห่งหนแต่สมัยพุทธกาลการจะได้ฟังธรรมแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องไปวัดเพราะวัดเป็นที่อยู่ของพระอริยสงสารุก ข, ของพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธเจ้าต้องไปที่วัดเพื่อจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เป็นความรู้ที่จะมาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพระขึ้นมาวันธรรมสวระเพื่อที่ญาติโยมจะได้ไม่ หลงลืมภารกิจอันสำคัญซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญกว่าภารกิจทางด้านการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ได้ดีขนาดไหนก็ตามก็จะอยู่ได้ไม่เกินน้อยปีเป็นส่วนใหญ่แต่ใจที่อยู่กับกองทุกนี้ ไม่มีวันตายไปแบบร่างกายและการที่จะทําทให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ใจต้องมีปัญญาและต้องมีปัญญาทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น <c oughs> ที่จะมาใช้ดับความทุกข์ของใจได้ป <c oughs> <c oughs> ัญญาทางโลกไม่ว่าจะเป็นวิชาขแขนงใดก็ตามจะไม่สามารถ นำามาใช้ดับความทุกข์ใจได้เลยต้องเป็นปัญญาทางธรรมปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงนำเอาไปปฏิบัติและได้ทรงดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์จนหมดสิ้นไปแล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงพ้นทุกข์จากปัญญาที่พระองค์ได้ทรงค้นพบแล้ว พระ อ, องค์ก็ทรงนำเมาปัญญาที่พระ อ, องค์ได้ทรงใช้ในการดับความทุกนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปเมการจะกำจัดความทุกข์ได้นี้ต้องมีปัญญาทางพระพุทธศาสนา ปัญญาทางอื่นนี้ไม่สามารถใช้ดับความทุกข์ได้อย่างถาวรก่อนที่มีก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาเผยแผ่ทำให้กา์โลกไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่หลังจากที่มีพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ทำมันประเสริฐ แล้วนำธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกก็ปรากฏมีผู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจํานวนมากบรรลุเป็นพระอรหันหตสาวกเพราะอำนาจของปัญญาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ท่งตัดสรุนเองการเจริญปัญญาในทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สามระดับด้วยกัน ระดับแรกเรียกว่าสุตมยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมเช่นวันพระที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันนี้เราเรียกว่าเรากำลังมาเจริญสุตมยะปัญญาสุตะก็คือพสูตรต่างๆการได้ยินได้ฟังพสูตร สมัยก่อนไม่มีการบันทึกไว้เป็นตัวอักษรมีแต่การฟังแบบสดๆ<ม>เรียกว่าฟังธรร ม, มสุตตมายาปัญญาก็คือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรร ม, มอันนี้เป็นความรู้ขั้นที่หนึ่งเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งแต่ยังเป็นปัญญาที่ยังไม่สามารถนำมาไปดับความทุกข์ องใจได้ต้องพัฒนาปัญญาขั้นที่หนึ่งไปสู่ปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามยญปัญญาปัญญาที่เกิดจากความพิจารณาไข้กวนอยู่เนืองเือ ง, องธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งแล้วเราต้องเอามาเจริญต่อมาพิจารณาอยู่เนืองเนือง เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืวเมื่อเราได้พิจารณาอยู่เรื่องๆแล้วธรรมะก็จะอยู่ใกล้ตัวเราเวลาที่เกิดความทุกข์ใจเราก็จะสามารถเอาปัญญาที่เราได้พิจารณาอยู่เรื่องๆนี้มาดับความทุกข์ทางใจได้ทันทีแต่การที่จะดับความทุกข์ทางใจได้นั้นจำเป็นจะต้อง พัฒนาปัญญาขั้นที่สองคือจินตามยปัญญานี้ให้ขึ้นสู่ภาวนามยปัญญาคือปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สามนี่แหละจะเป็นปัญญาที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจได้ทันทีการจะพัฒนาปัญญาขั้นที่สามนี้ให้พัฒนาอย่างไร ก็คือให้ไปเจริญสมถภ า, าวนาก่อนให้ไปเจริญสติสมาธิให้จิตตั้งอยู่ในอัปปนาสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาคือความนิ่งเฉยของใจให้ได้ก่อนถ้ายังไม่สามารถทําใจให้นิ่งเฉยได้เวลาที่จะเอาปัญญาขั้นที่สองคือจินตามยปัญญา มาหยุดความทุกข์มาดับความทุกข์จะไม่มีกำลังพอที่จะดับได้ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไม่มีกำลังพอที่จะดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราได้จาเป็นที่จะต้องเจริญส ม, มถะภาวนาทำใจให้สงบ ให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาภายในใจเมื่อเกิดอุเบกขาขึ้นมาภายในใจแล้วเวลาที่เกิดความทุกข์ใจก็สามารถนําเอาปัญญาที่ได้พิจารณาอยู่เนืองๆนี้มาใช้ควบคู่กับจิตที่มีอุเบกขาเมื่อเมื่อมีปัญญาและมีอุเบกขา แล้วทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะถูกกำจัดได้อย่างทันทีนี่คือปัญญาขั้นที่สามเป็นปัญญาที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจได้ถ้าเปรียบเทียบปัญญาเหมือนกับการปลูกต้นไม้เช่นปลูกต้นส้มการที่เราเอาต้นส้มลงดิน หรือเอามาเล็ส้มลงดินนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของการเจริญปัญญาคือสุตะมายะปัญญาเราฟังธทรรมฟังปัญญาเรื่องราวต่างๆที่เราจะเอามาใช้ดับความทุกข์เมื่อเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องเอามาพิจารณาอยู่เรื่องๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมก็เหมือนกับหลังจากที่เราได้ปลูก ได้วางเมล็ดได้ได้ปลูกเมล็ดหรือต้นต้นส้มลงไปในดินแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องคอยดูแลรักษาทำนู่ํบำรุงรักษาคอยให้น้ำคอยให้ปุ๋ยคอยกำจัดวัชพืชต่างๆที่อาจจะมาทำลายต้นส้มได้ ดูแลต้นส้มไปจนกว่าต้นส้มนี้จะโตขึ้นมาอันนี้เป็นขั้นที่สองเมื่อปลูกแล้วเราก็ต้องทำนุบารงุงรักษาประครับประคองให้ต้นส้มนี้จเจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงขั้นที่สามคือขั้นที่ต้นส้มได้ออกดอกออกผลขึ้นมา เมื่อออกดอกออกผลเราก็มาเก็บดอกผลกันอันนี้เป็นขั้นที่สาคือเก็บผลประโยชน์จากการปลูกต้นส้มจากการทํานุบารุงเงลี้ยงดูต้นส้มจนต้นส้มต้นส้มนี้จเจริญเติบโตออกเมล็ดออเอาเอาผลส้มขึ้นมาเราก็ไปเก็บเกี่ยวผลส้มมารับประทานกันเอามาใช้เอามาขายเพื่อให้มีรายได้ขึ้นมา อันนี้ก็เป็นปัญญาสามขั้นขั้นต้นคือการฟังธรรมการฟังเรื่องราวที่เราจะสามารถนำม า, มาใช้ในการดับความทุกข์ใจของเราได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เอามาพิจารณาอยู่เน่วเนวเพืออ่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเมื่อเราไม่หลงไม่ลืมแล้วเราก็จะได้เอา ปัญญาที่เราไม่หลงไม่เลยนี่มาใช้ควบคู่กับใจที่มีความสงบมีอุเบกขาถ้าใจยังไม่มีความสงบไม่มีอุเบกขาปัญญาที่เราจดจาได้ไม่หลงไม่เลยก็ยังไม่มีกำลังพอที่จะดับความทุกข์ใจได้เราถ้าเรายังไม่สามารถใช้ปัญญาดับความทุกข์ใจได้ ก็แสดงว่าใจของเรานี้ยังไม่มีกำลังพอยังขาดกำลังของอุเบกขาความนิ่งเฉยที่จะทำให้หยุดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้ถ้าใจไม่มีอุเบกขานี้ความทุกข์จะปรากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามีความมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาเวลาใดเวลานั้นความทุกข์จะไม่ปรากฏขึ้นมา นี่คือปัญญาสามขั้นของพระพุทธศาสนาที่ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องเอามาศึกษาแล้วนำเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วเอามาปฏิบัติกับความทุกข์ที่เกิดขึ้น ปัญญาความรู้ที่เราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสุขความทุกข์ของใจของพวกเรานี้ก็มีอยู่สองเรื่องด้วยกันคือกฎสองกฎกฎของธรรมชาติมีอยู่สองกฎที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ความสุขของใจกฎธรรมชาติกฎแรกนี้เราเรียกว่ากฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมก็คือทำดีได้ดีได้ความสุขได้ความเจริญทำชั่วได้ความทุกข์ได้ความเสือ่อมได้ความเสือ่อมอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้เกี่ยวข้องกับใจโดยตรงเพราะว่ากฎแห่งกรรมนี้จะเป็นผู้ให้คุณให้โทษต่อใจ ผู้เป็นผู้กระทำกรรมใจนี้แหละเป็นผู้ที่กระทำบุญหรือกระทำบาปแล้วใจนี้แหละจะเป็นผู้ที่รับผลบุญหรือผลบาปไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือที่ใจเอามาใช้ในการทำบุญหรือทำบาปเปรียบเหมือนกับร่างกายนี้ก็เปรียบเหมือนกับอาวุธเนี่ยเช่นมีด ส่วนผู้ใช้มีดนี้เป็นผู้กระทาถ้าเอามีดไปทำร้ายผู้ไปฆ่าผู้ผู้ที่ได้รับโทษไม่ใช่มีดผู้ที่รับโทษก็คือผู้ใช้มีดก็คือบุคคลที่นำมีดนั้นไปฆ่าผู้ ใ, ในทางตรงกันข้ามถ้านำมีดเอาไปใช้ประโยชน์ เช่นเอาไปปอกผลไม้เอาไปทําหั่นอะไรต่างๆอันนี้ผู้ใช้ก็ได้รับประโยชน์ตัวมีดเองไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับคุณได้รับโทษจากการกระทําเพราะมีดนี้เป็นเพียงเครื่องมือฉันใดเวลาที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีการกระทําบุญหรือมีการกระทําบาน ผู้ที่รับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นผู้ที่รับผลบุญผลบาปที่แท้จริงก็คือใจสังเกตดูเวลาที่เราทำบุญเราจะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจนั่นแหละคือผู้ที่รับผลบุญคือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่มีการรับรู้อะไร ร่างกายไม่มีความรู้สึกใจนี่แหละเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รู้สุขรู้ทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในใจของตนเองนี่คือกฎแห่งกรรมผู้ที่กระทากรรมก็คือใจถ้าทำดีคือทำบุญทำกุศลใจก็จะมีความสุขและใจก็จะมีความเจริญ ความเจริญของใจนี้ก็คือสภาวะของใจนี้จะมีความสุขมากขึ้นก็จะมีชื่อแบ่งเป็นขั้นๆไปเช่นตอนนี้ใจของพวกเรานี้กำลังอยู่ในระดับของความเป็นมนุษย์กันคือความเป็นมนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่เป็นใจที่มีความสุขและความทุกข์ห้าสิบห้าสิบ แต่พอเราไปทำบุญทำคุณทำประโยชน์ทำให้ผู้อื่นเขาได้รับคุณได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการกระทาของเราใจของเราก็จะเกิดความสุขเพิ่มขึ้นมาจากความสุขกับความทุกข์ห้าสิบห้าสิบก็เริ่มกลายเป็นความสุขหกสิบความทุกข์สี่สิบนี่นี่คือการยกระดับจิตใจ เคลื่อนจากระดับของมนุษย์ขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าที่เราเรียกว่าระดับเทพหรือระดับสวรรค์ชั้นเทพใจของเรานี้จะเริ่มขึ้นสู่สวรรค์นับตั้งแต่เราเริ่มทำบุญทำความดีขึ้นมาเรื่อยๆความสุขในใจกับความทุกข์ของใ จ, ใจเราก็จะปรับลดกันความสุขเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ก็ลดน้อยลง ตอนต้นเรามีความสุขความทุกข์เท่าๆกัน50า0ิบหาสพอเราทำบุญความสุขในใจเราก็เพิ่มขึ้นจาก50เป็น60ความทุกข์จากเคยที่มี50ก็ลดเหลือ40อันนี้คือการเรียกว่าเป็นการเจริญของใจ ทำบุญแล้วจะได้เจริญสุขและได้เจริญฐานะของใจจากการเป็นมนุษย์ก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สูงขึ้นกว่ามนุษย์ขั้นที่สูงกว่ามนุษย์ที่เกิดจากการทําบุญทําทาง น, นี้ก็เรียกว่าขั้นของเทพแล้วถ้าเราทําบุญทํากุศลที่สูงกว่าเช่นการไปภาวนา<ม>การไปเจริญ สมถะภาวนาสามารถเข้าฌานระดับต่างๆได้ถ้าได้เข้าฌานในระดับรูปฌปานใจของเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีกจาก 60-40 ี่อาจจะเป็น70 7 0สิเิมคือได้รับความสุขจากการเข้าฌาน<ม>ความทุกข์ที่เกิดจาก การกระทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะลดน้อยลงไปเพราะไม่มีเวลาไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเอาเวลามาทำแต่ในสิ่งที่ดีเช่นการเข้าสมาธิเป็นต้นเนี่ยถ้าเราได้เข้าสู่รูปฌปานเราก็จะเลื่อนระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมที่เรียกว่าชั้นรูปปภมเป็นความสุขที่มากขึ้นมีความทุกข์ที่น้อยลงในใจ แล้วถ้าขึ้นสู่ระดับอรูปอรูปฌานได้ใจเราก็จะอยู่ในระดับอรูปปฐมมีความสุขเกือบร้อยเซนตมีความทุกข์เหลือไม่มากมีความทุกข์ก็ช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในในฌานในอรูปฌานเท่านั้นเองแล้วถ้าเราอยากจะ ให้ความสุขในใจของเรานี้เต็มร้อยขึ้นมาเราก็ต้องปฏิบัติทาสร้างบุญสร้างกุศลขั้นสูงสุดคือขั้นปัญญานี้ขั้นปัญญานี้ก็จะทำให้เรานี้สามารถที่จะกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาผู้ที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิกัน ถ้าเราออกจากสมาธิแล้วเรามาเจริญปัญญามาพิจารณาตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอริยสัจสิทุกสมุทัยนิโรธมัก mm hmm. เราก็จะสามารถหยุดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาหรือกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดสิ้นไปได้อย่างราบคาบ พอกิเลสตัณหาโมหะอมวิชาได้ถูกปัญญากําจัดไปอย่างราบคาบแล้ว mm. ความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมด mm. เหลือแต่ความสุขล้วนๆ mm. ความสุขร้อยเปอร์เซ็นเป็นความสุขตลอดเวลา mm. ไม่ใช่แต่เฉพาะที่เข้าสมาธิเท่านั้น mm. แต่เป็นความสุขทั้งที่อยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิมาความสุขก็จะไม่สูญหายไป เพราะเหตุที่มาทําให้ความสุขหายไปตอนที่ออกจากสมาธิก็คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชานี่เองพอมีปัญญาคอยควบคอยคุ้มครองจิตใจคอยปกป้องจิตใจตลอดเวลากิเลสตัณหาโมหะอาวิชาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาได้เพราะทุกครั้งที่ปรากฏขึ้นมาก็จะถูกปัญญาได้ทําลายได้อย่างทันที อันนี้เป็นการก็ททำบุญทำกุศลตามกฎแห่งกรรมกายจะขึ้นสูงไปเป็นขั้นข้นขั้ น, นทาน mm hmm. การทำบุญทำทานก็จะยกระดับขึ้นไปจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทศแล้วถ้าไปภาวนาถือศีลนิคขมะ mm hmm. ถือศีลบวชศีลของนักบวชละเว้นการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรส แล้วเอาเวลามาเจริญสตินั่งสมาธิจนทำใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ใจก็จะได้รูปประชานหรืออรูปประชานตามกําลังของสติเมื่อได้รูปประชานหรืออรูปประชานก็ได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นรูปปภมหรืออรูปปภมแล้วถ้าอยากจะให้ ใจยกระดับจากสวรรค์จากรูปปภรมารูปปภมมไปสู่สวรรค์ของพระอริยะบุคคลคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ก็จำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาเพื่อลักกิเลสตัณหาที่เรียกว่าสังโยชน์สิทธิการให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้ถ้ากำจัดสังโยชน์ได้หมดทั้งสิประการ ใจก็จะบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาปัาศยากสังโยชน์ทั้งสิ mm hmm. เมื่อไม่มีสังโยชน์ไม่มีกิเลสตัณหาใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร mm hmm. ใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร น, นีเราก็เรียกว่านิพานนี่ mm hmm. นิ บ, บานังปรมังสุ ข, ขัง mm hmm. เป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปได้ความสุขที่สูงสุดที่เลิศที่สุดเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดต่างจากความสุขที่ได้จากการเสพการหรือเสพลูก ป, ประชานหรือเสพกระลูก ป, ประชานเป็นความสุขที่ยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ น, นี่คือเรื่องกฎแห่งกรรม ที่มาคอยกากับดูแลจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราทุกคนถ้าเราทำบุญตามที่ได้สแสดงว้นี้เราก็จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดแต่ถ้าเราไปอีกทางหนึ่งถ้าเราไม่ทำบุญกันเราไปทำบาป ก, กันเราก็จะดึงจิตใจของเราให้ลงต่ำ จากจิตใจของมนุษย์ที่มีความสุขห้าสิบความทุกข์ห้าสิบพอไปทําบาปความทุกใจก็จะเพิ่มจากห้าสิบเป็นหกสิบจาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับบาปที่เราทําว่าทํามากทําน้อยและผลที่เราจะทําให้ใจของเรานั้นเสื่อมลงไปก็ก็จะมีอยู่สี่สี่อย่างด้วยกันคือใจเราเราจะเสื่อมไปเป็น เดระฉา น, ปปนบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนศรกายบ้างหรือไปนรกบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทำบาปของเราว่าเราทำบาปด้วยเหตุผลอันใดถ้าเราทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้กฎแห่งกรรมเช่นคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพทำมาหากินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อมาเพื่อมาเลี้ยงชีพ ใจก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปถ้าทำบาปด้วยความโลภ<ม>อยากร่ำอยากรวยอยากมีสมบัติมากๆอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มากๆทํทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะกลายเป็นเปรตไป<ม>ถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้หรือสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้มาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อน อันนี้ก็จะทำให้กลายเป็นอ ส, สุรกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นจองเวรจองกรรมอันนี้ก็จะทำให้ใจเป็นนรกขึ้นมานี่คือสภาพของจิตใจที่เกิดจากการกระทำบาปด้วยเหตุผลต่างๆนี่คือกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม เมื่อทำตามเมื่อทำเหตุคือบาปหรือบุญแล้วผลของบาปหรือบุญนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาเบื้องต้นนี้จะเกิดปรากฏในใจเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เวลาเราทำบุญเราจะมีความรู้สึกสุขใจเวลาเราทำบาปเราจะมีความรู้สึกทุกข์ใจและบาปและบุญที่เราทำไว้นี้มันก็จะสะสมไว้เหมือนเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคาร หรือไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารทำบุญก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารทำบาปก็เหมือนกับไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารมันก็ยามีบัญชีกำกับใจของเราอยู่เวลาที่เราตายนี่บัญชีบุญกับบัญชีบาปมันก็จะเป็นผู้ที่มามาบวกลบกัน มาดูมาสู้กันดูว่าบัญชีบุญมากกว่าบัญชีบาหรือบัญชีบาบมากกว่าบัญชีบุญถ้าบัญชีบุญมากกว่าบัญชีบาใจก็จะไปสู่สุคติไปเป็นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพบ้างสวรรค์ชั้นพรหมบ้างหรือไปเป็นพระอริยเจ้าบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับบัญชีบุญที่เราได้ทำไว้ว่ามันมากกว่าบาบมากน้อยเพียงไร ถ้าบัญชีบาปมากกว่าบัญชีบุญตายไปใจของเราก็จะถูกบาปดึงไปให้ไปเกิดเป็นเดลอาชานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างหรือไปอยู่ในนรกบ้างนี่คือกฎแห่งกรรมที่จะเป็นผู้ให้คุณให้โทษต่ตอจิตใจของสัตว์โลกทุกชนิดด้วยกันนี่เป็นสิ่งที่เรา ถ้าเรายังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตัวของเราเองเราควรที่จะเชื่อผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทำไมเราถึงเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ก็เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ท่านเริ่มต้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเรานี่แหละ ย, ยังไม่รู้จักเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎแห่งกรรม แต่หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติได้ศึกษาท่านก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นการกระทาบุญว่าทำให้จิตใจของท่านมีความสุขเห็นการกระทาบาปทำให้จิตใจของท่านมีความทุกข์ท่านก็เลยเห็นเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วท่านก็เอามาสอนทูด พระพุทธเจ้าเห็นเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็มาสอนผู้อื่นผู้ผ่นที่ได้ยินได้ฟังก็ทําตามที่พระเจ้าสอนพอทําตามแล้วก็จะได้ผลอย่างที่พระเจ้าได้ได้ผลมาก็เลยไม่สงสัยไม่มีใครคัดค้านคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่คนเดียวพระอารหรันตรัสรู้ทุกๆพระองค์นี้ล้วนมารับรองความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พวกเราถึงแม้ว่าเรายังจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตามแต่ถ้าเราได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาปฏศึกษาความความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าและศึกษาความรู้ความสามารถของพระอรหันตสาวกแต่ละองค์แล้วมันก็จะทําให้เรามีเหตุผลที่เราควรจะเชื่อได้ว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นความจริง เมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะได้นำเอากฎแห่งกรรมที่เราได้เรียนได้ศึกษานี้มาคอยเตือนใจสอนใจขั้นแรกเราได้สุตมะยปัญญาคือได้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมว่าเป็นเรื่องจริงของจริงไม่ใช่เรื่องโกหกพกลมคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของดวงวิญญาณเรื่องของจิตใจนี้อาจจะไม่เชื่อก็ได้เพราะเห็นว่า ชีวิตของเรานี้มีเพียงร่างกายเวลาร่างกายตายไปแล้วใครล่ะจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปนั่นนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักใจของเราเองเราไม่เห็นใจของเราเองเราไม่รู้ว่าใจของเราที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย<ม>เป็นคนละคนกันเพียงแต่มาร่วมอยู่ร่วมกันเหมือนสามีภรรยา มาทำภารกิจร่วมกันทั้งเองโดยที่ใจนี้เป็นเหมือนสามีใจเป็นนายกายเป็นบาว<ม>ใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆไปทำบุญไปทำบาปแต่ผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปนี้คือคือใจรับตั้งแต่ในขณะที่ยังอยู่คู่กับร่างกาย เช่นในขณะนี้ถ้าเราไปทําบุญใจของเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าเราไปทําบาปใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ร้อนขึ้นมาอันนี้เป็นผลที่เกิดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่พอที่ร่างกายตายไปแล้วนี้ใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพียงแต่ว่าใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายที่เรา ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าของร่างกายการที่เราจะเห็นใจของเราได้นี้ต้องเห็นด้วยการเปิดตาในตานอกคือร่างกายนี้ไม่สามารถมองเห็นใจได้จำเป็นจะต้องเปิดตาในคือตาของใจนี้เองการเปิดตาของใจก็คือการปฏิบัติจิตตะภาวนาการภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจเป็นการเปิด เปิดเปิดดวงตาของใจให้เห็นสภาพของจิตใจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกับร่างกายร่างกายตายไปจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้อยู่ต่อไปแล้วเปลี่ยนชื่อจากจิตใจเป็นดวงวิญญาณไปแต่เป็นตัวเดียวกันเหมือนกับ สุภาพสติเวลาแต่งงานก็เปลี่ยนสถานภาพจากนางสาวไปเป็นนาง<ม>เป็นต้นใจก็เหมือนกันใจเวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิด<ม>พอเวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจ น, นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจ น, นี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณเป็นใจเหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกัน แต่เพียงแต่เราเปลี่ยนชื่อสมมติจากจิตใจเราก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกทิพย์สวยบุญหรือสวยบาปในโลกทิพย์ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปก็สวยบุญก็อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็ไปสวยบาปหรือไปรับผลบาปในอบายไปเป็นเปรตไปเป็นอสุ ร, รกายไปเป็นนรก หรือถ้าได้มาเกิดได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์ในรชาชนานี่แหละคือกฎแห่งกรรมที่พวกเราที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมถ้ายังไม่ได้ภาวนาถ้ายังไม่ได้แยกกายแยกใจได้จะไม่แน่ใจจะไม่จะไม่เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราไม่ควรตอมาดก็คือเราควรจะเชื่อคนที่เขาแยกกายแยกใจได้แล้ว คนที่เขามีดวงตาเห็นธรรมแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพวกราผู้ที่ยังไม่สามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้นี้ก็เป็นเหมือนพวกคนตาบอดคนตาบอดนี้เวลาจะไปไหนมาไหนต้องอาศัยคนตาดีพาไปคนตาบอดต้องเชื่อคนตาดีว่าเขาจะพาเราไปสู่ที่ดีที่ชอบ ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่กล้าไปกับเขาอย่างใดพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดที่ยังไม่รู้บุญรู้บาปยังไม่รู้นรกไม่รู้สวรรค์ยังไม่เห็นนรกเห็นสวรรค์เราก็ต้องอาศัยความเชื่อก่อนเชื่อในพระพุทธเจ้าทําไมเราเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะมีคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าคือพระอาหารหันตสาวกผู้ที่ได้พิสูจน์ได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอน จนทำให้เขาปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทำให้เขาเห็นนลกเห็นสวรรค์เห็นกายเห็นใจว่าเป็นคนละส่วนกัน <S 2> <S 2> อันนี้คือสิ่งที่เราถ้าเรายังไม่มีปัญญาเรายังไม่สามารถแยกกายแยกใจออกจากกาันได้ <S 2> <S 2> เราก็ต้องอาศัยความเชื่อไปก่อนแต่ไม่ให้เชื่อแบบอยู่เฉยๆเ ช, ยชื่อแบบงมงายเชื่อเพื่อให้นำเอาไปปฏิบัติ ถือว่าเป็นการเจริญปัญญาขั้นแรกสุตะมายาปัญญาคือการเชื่อในกฎแห่งกรรมนี่เชื่อว่าเป็นของจริงมีจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้ไม่มีความเท็จซ่อนเล่นอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวเป็นสวากขาโตภะวตาธโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วทุกบททุกบาทตรงเป็นความเป็นจริงทุกประการเป็นอากาลิโก เป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาความจริงที่พระเจ้าทรงสอนในสมัยพระพุทธการกับความจริงในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเวตามการตามเวลาเหมือนสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้สิ่งต่างๆอยู่ในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้ก็เป็นกฎอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมาศึกษากัน uh huh. สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คือสิ่งที่อยู่ในโลกกระทาด mm hmm. เช่นร่างกายและสิ่งต่างๆ mm hmm. เช่นโลกกระทำทั้งสี่ลาบยศจะละเสรญสุขนี้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปตามการตามเวลา uh huh. เป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่ยง uh huh. เป็นภาวะที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามความต้องการได้ถ้าใครไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นให้มันเที่ยงให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราให้มาเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกฎของธรรมชาติอีกกฎหนึ่งที่เราควรที่จะมาจดจำมาเรียนรู้กันนอกจากกฎแห่งกรรมแล้วก็คือกฎของใจรัก ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจาเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดามีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปธรรมดาเช่นโลกธรรมทั้งสี่ลาบยศเสริญและความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพานี้เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนได้มาวันนี้อาจจะหมดไป ในวันพรุ่งนี้ก็ได้มีการได้มาต้องมีการเสียไปมีการเจริญต้องมีการเสือ่อมถ้าไม่อยากจะไปทุกก็อย่าไปยึดไปติดกับโลกธรรมทั้งหลายถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เขาเป็นของไม่เสือ่อมเป็นของของเราไปตลอดเวลาที่มันเสือ่อมหรือเวลาที่มันไม่ได้เป็นของเรามันจะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราเป็นอย่างยิ่ง นี่ก็คืออีกกฎหนึ่งที่เราต้องมาเรียนรู้แล้วพยายามมาสั่งสอนมาเตือนใจเราถ้าเราไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ต่างๆในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องเข้าใจกฎของตายลักแล้วเพื่อที่เราจะได้หยุดความอยากต่างๆเพราะใจของเรานี้ยังหลงยังมีความยึดติดอยู่กับโลกธรรมต่างๆ เหตุที <Okay. S 3> はは่พาให้พวกเรามาเกิดกันก็เพราะเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่นี้เองก็คือลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายเพราะร่างกายนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเบื้องต้นก็จะเจริญก่อนเวลาออกจากท้องแม่มาก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดำับจากเด็กเล็กก็เป็นเด็กใหญ่เด็กโตจากเด็กโตก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะโตไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดของการเจริญเติบโตหลังจากนั้นก็จะเริ่มนับถอยหลังจะเริ่มเข้าสู่วัยแก่วัยชราแล้วก็จะต้องเจอกับ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายเนื่องจากเ น, เนื่องจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วในที่สุดร่างกายนี้ก็จะต้องถึงแก่ความตายนี่คือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราทุกกับร่างกายก็เพราะว่าเราไม่เห็นความจริงของอนิจจังของร่างกายเรายังใยอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเอง ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละที่เป็นตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายเพราะผู้ที่มีปัญญา алист. เห็นความอนิจจังของร่างกายว่าเป็นเรื่องธรรมดาเห็นว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเร <roe ama> ื่องธรรมดาความตายเป็นเรื่องธรรมดาก็จะไม่ไปยึดไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าไม่มีความอยากไม่ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจของผู้นั้นจะไม่มีวันทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายหรือกับความเสื่อมของลาบยศจรเสริญสุขเลย น, นี่คือเรื่องของกฎของไตรลักษณ์ที่พวกเราจะต้องมาศึกษาและมาจดจำกันไว้มีมีกฎสองอย่างนี้แหละที่เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับก จ, จิตใจ ตัวที่มาทาให้ใจเราสุขหรือทุกข์กันถ้าเราเข้าใจกฎสองกฎนี้แล้วเราก็จะดำเนินใจของเราพาใจของเราให้ไปในทิศทางที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญด้วยการปฏิบัติทาที่พระุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันเบื้องต้นก็คือให้เรามีศรัทธาความเชื่อให้เรามาคอย จเจริญปัญญาที่พู้เจ้าทรงสอนให้เราจเจริญกันก็คือให้เราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยกเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเกี่ยวกับเรื่องกฎของตายรักเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมของของกฎแห่งตายรักและกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตา ก, กฎของกรรมแล้วเราก็นำเอาไปสอนใจเราอยู่เรื่อย ว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าอันนี้จะทำให้เราทุกเวลาที่เกิดการเสื่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการพัดภาคจากกันได้ อันนี้เราต้องคอยเอามาเตือนใจเราเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราเราวันวันหนึ่งเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไปถ้าเราจดจำได้แล้วแต่เวลาที่เราเจอเหตุการณ์เจอความเสื่อมของของสิ่งต่างๆแล้วใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็สแสดงว่าใจเราขาดกำลังที่จะหยุดความอยากของเรา เพราะว่าใจของเรายังขาดอุเบกขานันนเองถ้าเราขาดอุเบกขาสิ่งที่เราต้องจำเป็นจะต้องมาทำกันก็คือมาสร้างอุเบกขาขึ้นมาภายในใจของเราให้ได้มาเจริญสติทำใจให้สงบเพราะเมื่อใจสงบนิ่งแล้วเป็นสมาธิแล้วเราก็จะมีอุเบกขาคือการวางเฉยได้จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง จะยินดีรับกับสภาพทุกสภาพได้ mm hmm. เวลาได้ก็ไม่เดือดร้อนเวลาเสียก็ไม่เสียใจ mm hmm. เฉยๆ mm hmm. ถ้ามีอุเบกขา mm hmm. ถ้ายังไม่มีอุเบกขา mm hmm. ก็เรายังจะไม่สามารถใช้ปัญญาที่เราได้เรียนรู้และได้จดจำนี้มาละนับมาลับดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากต่างๆของเราได้ก mm hmm. ารที่เราจะ สระงับความอยากของเราได้นี้ต้องอาศัยการเจริญสติและนั่งสมาธินี่ถ้าไม่มีสมาถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิเท่าไหร่ใจก็จะไม่มีวันสงบยันในเบื้องต้นเราต้องพยายามพยายามมาเจริญสติกันก่อนเจริญสติให้มากๆถ้าเป็นไปได้หาเวลาว่างๆที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับภารกิจการงานเช่น ว, วันพระอย่างนี้ ให้เราไปหาที่สงบวิเวกสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใดแห่งหนึ่งที่ให้เราได้มีเวลาอยู่ตามลำพังของเราให้เราปรีดวิเวกอยู่คนเดียวเพื่อที่เราจะได้มีเวลาจเจริญสติเพื่อคอยควบคุมคอยหยุดความคิดปรุงแต่งที่เราคิดปรุงแต่งมาตลอดทุกวันทุกเวลาเพราะชีวิตของเรานี้ต้องมีภารกิจการงานก็ทาต่าง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดเลยทำให้เราติดนิสัยอยู่กับความคิดเราไม่เคยหยุดคิดเลยเราก็เลยไม่มีกำลังไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิไม่มีความสุขที่เกิดจากสมาธิที่จะทำให้เรานี้ตัดความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจที่เกิดจากความอยากนี้ ถึงแม้ว่าเราจะมีปัญญาถึงแม้เราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายักก็ตามถึงแม้เราจะรู้ว่าการทาบุญจะพาเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆก็ตามการทำบาปจะพาให้เราไปสู่อบายก็ตามแต่เวลาที่มันเกิดอารมณ์ขึ้นมานี้นเกิดความอยากขึ้นมานี้ถ้าเราไม่มีอุบเบกขานี้เราจะไม่สามารถฝืนความอยากสู้กับความอยากได้ อนี้คือสิ่งที่เราขาดกันปัญญานี้เราฟังเทศฟังธรรมกันมามากจนหูจะฉีกแล้วก็ว่าได้จำแต่อาจจะขาดขั้นที่สองคือจําไม่ได้ฟังวันนี้ขณะ น, นี้รู้เรื่องดีพอเสร็จจากการฟังธรรมก็ไปคิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดถึงเรื่องไปเที่ยวที่นั่นดีไปกินที่ไหนดีไปทําอะไรดี มันก็จะทำให้เราลืมเรื่องของตายรักไปลืมเรื่องกดแหงกดแหงกรรมไปทางที่ดีถ้าเราอยากจะรักษาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังหลังจากที่เราออกจากที่นี่ไปเราก็ต้องเอามานึกคิดอยู่บ่อยๆว่าวันนี้เรามาฟังเทศเราฟังเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรที่เราต้องมาทบทวนมาจ ด, ดจำมาพิจารณาอยู่เนืองๆก็เรื่องของตายรักของร่างกายเพราะร่างกายของเรานี่ มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วมันต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ความรู้แค่นี้บางทีเรายังลืมกันเลยเพราะว่าเรามัวแต่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้ เมื่อมีความอยากจะทําสิ่งต่างๆมันก็เลยอยากจะทําให้อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆก็เลยทําให้ลืมไปว่าร่างกายนี้มันอยู่ไม่นานร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแต่ถ้าเราคอยคิดบ่อยๆว่าร่างกายมันไม่เที่ยงนะเราอยู่ไม่ไม่รู้จะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่วันนี้อาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ตายวันนี้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครไปกําหนดรู้ได้ล่วงหน้าว่าความตาย จะปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ เ, เราจะปราบความอยากของเราได้ความอยากที่จะไปทำนู่นทนํานี่มีนั่นมีนี่มีอะไรมากๆเมื่อคิดว่าไม่แน่นอนนะความความตายนี้มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ถ้านึกถึงความตายได้มันจะช่วยปราบความอยากได้พอสมควรแต่มันจะยังไม่สามารถที่จะหยุดได้อย่างถาวรเพราะว่ามันยัง ไม่มีอุเบกขาที่จะตัดความอยากได้อย่างถาวรต้องพยายามไปฝึกสติฝึกสมาธิหาสถานที่สงบปีกวิเวกอยู่คนเดียวถือศีลแปดระ<ม>งับกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นล้ไปให้หมดมไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานเพียงมื้อเดียวก็พอ หรือถ้าสองมื้อก็ไม่เกินเที่ยงถ้ารับประทานอาหารมากมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการจเจริญสติต่อการนั่งสมาธิเพราะเวลากินอาหารมากๆแล้วเวลาเกิดความอิ่มความว่วงมันก็จะตามมาเวลานั่งสมาธิมันก็จะสับประงบนั่งแล้วก็ไม่ได้ผลถึงจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมการรับประทานอาหารผู้ที่จะภาวนาผู้ที่จะเจริญสติ ึกสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขานี้จำเป็นที่จะต้องมีการรับประทานอาหารโดยประมาณรับพอรับประทานอาหารพอดับความหิวได้ก็พออย่ารับประทานอาหารเพื่อความสุขเพื่อความเพื่อความบันเทิงรับประทานให้มันอิ่มหนำสำราญใจอันนี้จะเป็นโทษต่ตอการไปบำเพ็ญจิตภรวนาให้รับประทานอาหารเพื่อดับความหิว พอเวลารู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดรับประทานได้อย่ารับไปทานต่อถึงแม้อาหารจะเลดอร่อยอย่างไรก็ไม่ควรรับประทานเพราะจะเป็นปัญหาเวลาที่ไปนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมจเลรินสติเพราะมันจะเกิดความง่วงนอนง่วงนอนขึ้นมาเกิดความเกียดคร้านขึ้นมาจะไม่สามารถที่จะไปเจริญสติไปควบคุมความคิดไดหยุด ควคิดเวลานั่งสมาธิเพื่อทําจิตให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้อันนี้สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องทํากันเป็นส่วนใหญ่ก็คือการมีการเจริญสติการ น, นั่งสมาธิเพื่อให้มีสมถะ ภ, ภาวนาให้มีภาวนาคือมีอุเบกขาเพราะถ้ามีอุเบกขาแล้วเรามาเอาปัญญาที่เราได้พิจารณาอยู่เนืองเนืองนี้มาประกบใช้แล้ว มันก็จะกลายเป็นภาวนาเมยปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาที่สามารถดับความทุกข์ได้ถ้ารู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเราพิจารณาด้วยด้วยปัญญาก็าเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดา เราห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปอยากมันอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อันนี้เป็นตัวท mm ี่เราต้องมาห้ามไม่ใช่ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายแต่มาห้ามความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาเจ็บก็ยอมรับมันเจ็บก็เจ็บไปมันจะหายไม่หายก็เป็นเรื่องของมันไปรักษาได้ก็รักษาไป หายก็หายไม่หายก็ก็ต้องยอมรับสภาพไปไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องถึงแก่ความตายหายจากโรคภัยไข้เจ็บในวันนี้เดี๋ยวอีกม่อนข้างหน้าไม่กี่วันมันก็กลับมาเป็นโรคใหม่อีกเป็นโรคนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเป็นโรคนั้นเป็นโรคนั้นแล้วก็เป็นโลกนู้นต่อแล้วก็กลับมาเป็นโรคนี้ใหม่มันก็จะกลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกาย ร่างกายของเราทุกคนมันจะต้องเจ็บไายได้ป่วยกันและในที่สุดมันก็ต้องตายกันแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราก็พยายามทําใจหยุดความอยากหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายให้ได้จะหยุดได้ก็ต้องอาศัยกําลังของอุเบกขาเนี่ย เราถึงต้องไปฝึกสมาธิกันให้มากๆเจริญสติเบื้องต้นเจริญสติให้มากๆ ก, ก่อนเพราะถ้าเรายัางเจริญสติควบคุมความคิดอยู่ความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิใจเราจะฟุ้งซ่านแทนที่จะสงบมันกลับฟุ้งซ่านเพราะสติไม่มีพอนั่งดูลมได้แป๊บเดียวไปแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้หรือบริกรรมพุทโธได้สองสามคำไปแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ นั่งไปนานเท่าไหร่ก็ไม่สงบเหมือนกับไม่ได้นั่งถ้านั่งแบบนี้เราเรียกไม่เราไม่ได้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้ต้องนั่งด้วยการมีสติเสียติคอยควบคุมความคิดเบื้องต้นอาจจะสู้กันห้าสิบห้าสิบคิดปุ๊บพอมีสติก็ดึงกลับมาปับ๊บกลับมาที่พุทโธพุทโธใหม่พอเผลอไปคิดใหม่ก็รู้ปับ๊บก็ดึงกลับมาใหม่ต้องพยายามสู้กันอย่างนี้ไป จำเป็นที่ต้องทําก่อนที่เรามานั่งสมาธิการเจริญสติเพราะว่าเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันในทุกอิริยาบถถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องทํางานทําการอะไรเราจะสามารถคอยเจริญสติคอยควบคุมความคิดของเราได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้เราก็เริ่มพุทโธไปเลยสู้กับความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าจะคิดจะรังคิดเรื่องที่จําเป็นเท่านั้น ซึ่งถ้าเราไม่มีงานทำเราไปปิดวิเวอยู่คนเดียวนี้มันก็แทบจะไม่มีเรื่องมีราวอะไรให้เราต้องคิดคิดแต่ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารอะไรก็มีแต่เรื่องคิดเล็กๆน้อยๆคิดปุ๊บเดียวก็ดูแล้วแล้วเราก็กลับมาใช้สติหยุดความคิดใช้พุทโธพุทโธห้ามความคิดไว้ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้พอเวลาเรานั่งสมาธินี้ พุโทโธพุโทโธถ้ามันต่อเนื่องอย่างสักหนาที10บนาทีนี้ใจก็จะรวมได้ดิ่งเข้าสู่สมาธิได้ตกหลุมตกบ่อได้นิ่งเฉยเป็นเป็นสมาธิเบื้องต้นอาจจะเป็นสมาธิแบบคณิกะก่อนคือรวมแป๊บได้ช่วงช่วงแป๊บหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาเนื่องจากว่าตอนต้นนี้สติเรายังมีกำลังไม่มากพอ มีกำลังพอที่จะดึงให้มันรวมเป็นหนึ่งได้ให้มันเป็นสมาธิได้แต่เป็นได้เดี๋ยวเดียวพอมันรวมปั๊บกําลังของกิเลสมันก็ดันออกมาใหม่ก็เป็นแต่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเกิดมีศรัทธาเกิดมีฉันทะเกิดมีวิริยะขึ้นมามีที่บาทสีที่เห็นผลของการปฏิบัติว่าเป็นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง เวลาจิตรวมกันเป็นครั้งแรกนี้เราจะรู้สึกว่าเหมือนกับได้ไปพบกับของมหัศจรรย์ที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วพอได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขคั้งปวงที่เกิดจากการรวมของของจิตแล้วมันจะทําให้เรานี้มีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติมากขึ้นมีกําลังใจที่จะลดะละจะตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปจะ อยากจะเข้าสมาธิอยากจะไปปฏิบัติสมาธิมากกว่าการไปพบเพื่อนฝูงไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปสนุกสนานเฮฮากันเพราะรู้ว่ามันเป็นความสุขคนละระดับกันความสุขที่ได้จากการสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่จะพาให้ไปสู่ความสุขที่ถาวรต่อไปก็คือความสุขของพานิพานเนี่ยพอเราได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วเราก็พยายามเจริญบ่อยๆเจริญให้มากๆ จนกระทั่งให้มันมีกำลังมากๆเวลาออกจากสมาธิมาเรายังมีอูเบกขาติดออกมาด้วยพอเราเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดตัญหาความอยากขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาเช่นร่างกายของเราว่าต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาถ้าเราไปเกิ ด, กดมีโรคภยัยแค่เจ็บแล้วเราไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งถ้าเรามีปัญญาเรามี สมาธิมีอุเบกขานี้ใจเราจะไม่เดือดร้อนใจเราเฉยๆใจก็บอกคุณลูกแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาทำได้ก็คือรักษาตามความสามารถของหมอของยาไปเท่านั้นเองก็เป็นการประวิงเวลาต่อชีวิตไประยะหนึ่งแต่ในที่สุดมันก็ต้องไปเจอโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่ได้เมื่อรักษาไม่ได้ก็ยอมรับไปยอมให้มันอยู่ไป ยามให้มันตายไปถ้ามีปัญญามีอุเบกขามีสมาธิแล้วใจเราก็จะดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายได้นะ <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปศึกษาเอาไปทบเอาไปทบทวนเอาไปพิจารณากฎสองกฎกฎแห่งกรรมและกฎของตายรักแล้วก็ไปปฏิบัติเพื่อทําใจของเราให้รับกับกฎแห่งของตายรักให้ได้ รับกฎแห่งกรรมให้ได้เมื่อเรามีอุเบกขาแล้วเราก็จะสามารถาำนินจิตใจของเราให้ไปในทิศทางที่ดีคือนำพาจิตใจเราให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยถาวะริวะหาปุราริกูแลินติสัก e ลังเอวเมิวะิโตชิน oh ังเปตานังอุปการปติอิทิตังปัท um ิตังตุมหังคิดว่เมวะสนิจจโทสพเพปุแลนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาชันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปะจายโนจตาโหธรรมวัฏานติ ขั้นต่อไปนี้ก็เป็นขั้นถามถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือท่านที่มีมือถือก็ส่งมาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook พระอาจารย์593 YouTube พัสสุชาติ Live 351 YouTube ดออกเตอร์วชาแนล56วิทยุออร์ลาย6คลับหาว6หนากุติ230รวม1242ค่ะถ้ามีคําถามก็เชิญนํามาถามได้เลย คำถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะมีปัญหาติดโซเชียลมีเดียเสียเวลามากทุกวันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรคะก็ซื้อมือถือที่แบบโทรได้อย่างเดียวก็จบอย่าไปใช้ไอ้สมาร์ทโฟนใช้แบบสมัยก่อนใช้โทรเข้าตัวก็พอ คำถามฝากถามอีกท่านหนึ่งค่ะลูกชายเติบโตในอเมริกาเพิ่งกลับมาอยู่ไทยได้สองปีปัจจุบันอายุสามสิบแปดปีเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องธรรมะและบาบุญคุณโทษเวลาเขาโกรธจะรุนแรงมากค่ะทั้งด่าทอเสียดสีด้วยวาจาร้ายแรงทั้งกับมารดาและน้องชายมักจะทะเลาะกับคนรอบตัวเสมอจนบางครั้งโดนทำร้ายจากคนที่ทะเลาะด้วย เขามักจะเบียดเบียนแม่และน้องชายทั้งเรื่องเงินและคำว่ากล่าวที่รุนแรงเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการและบางครั้งเผลอกระชากมารดาจนบาดเจ็บแต่เขาบอกว่าเขาคุมตัวเองไม่ได้เวลาโมโหตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันที่สหรัฐจะโดนเอาเปรียบเบียดเบียนเสมอทั้งเรื่องเงินและงานมักใช้วาจาที่ทาให้แม่เสียใจตลอดเวลาที่โมโห ปัจจุบันอยู่ในเมืองไทยเพราะเกษียณแล้วขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางปฏิบัติกับลูกชายคนนี้เพื่อให้เขาเห็นและแยกความผิดชอบชั่วดีไว้ด้วยเจ้าค่ะและตัวดิฉันควรทำอย่างไรคะลูกชายยังเป็นโสดผู้หญิงที่เคยคบหาไม่สามารถรับอารมณ์และคำพูดเขาได้ค่ะการามัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพ บ, บูชาก็ พ, พาเขาไปอยู่วัดอยู่วัด จะได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสังคมสังคมนี่มีส่วนที่จะผลักให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าไปอยู่ประเทศอเมริกานี่ก็จะส่งไปทางกิเลสตัณหา<ม>ถ้าไปอยู่ตามวัดอยู่กับพระที่มีคุณธรรมท่านก็จะดึงให้เราไปในทางธรรมเพราะว่าเราเองไม่มีกำลังในตัวเราเองที่จะไปทางใดทางหนึ่ง อย่างน้อยเขาต้องรู้ว่าเขามีปัญหาและวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องไปหาที่ที่จะช่วยเขาได้เหมือนกับคนที่ติดยาเขาก็ต้องไปหาที่บำบัดยาแต่ถ้าเขาไม่ไม่มีศรัทธาไม่มีความยินดีที่จะไปก็บังคับเขาไม่ได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาว่าเขารู้ว่าเขามีปัญหาหรือเปล่าและเขาอยากจะแก้ปัญหาหรือเปล่าถ้าอยากจะแก้ก็ไปหาวัดอยู่ไปอยู่เป็นพ่อขา ว, ขาวก่อนก็นได้ไป หรือสินแปดอาจอยู่แบบพระอยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรมากดดันนอกจากกิเลสของตัวเองเท่านั้นเองที่จะไปกดดันเวลาอยู่ในวัดกิเลสมันอยากจะดิ้นออกจากวัดถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิได้เราก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ในใจของเราได้คำถามจากทางยู u b e คุณสุริยา เคยได้ยินคำแปลในบทสวดธรรมาจากกักรกระปวัฒนสูตรว่าอาริยสัจสี่มีรอบสามมีอาการ12บสองอย่างผมไม่เข้าใจครับจึงขอกับนศการเรียนถามว่ารอบสามอาการ12บสองอย่างในอริยสัจสี่คืออะไรครับไม่ต้องรู้หรอกขอให้รู้ตัวหยุดตัวความอยากได้เท่านั้นก็พอตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์การมาหาภาวะฐาหาวิภาวะฐาหา หยุดการภาวนาภาวตันห า, หามีภาวะตันหาด้วยตายรักษเท่านั้นเองถ้าพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นตายรักษ์มันก็อยุดได้จะ ก, กี่ลอบก็ไม่สําคัญคําถามจากคุณภูวนาถความอยากในลาบยศสรรเสริญสุขคือภาวะตันหาและความอยากพ้นจากเสื่อมลาบเสื่อมยศ ด, ดินทาทุกคือวิภาวะตันหาผมเข้าใจถูกต้องไหมครับก็ถูก啊 อยากได้ก็เป็นกามวัตนหาภาวะตนหาอยากไม่ได้ก็เป็นวิภาวะตนหาหมดแล้วนะเช่นอยากไม่อยากแก่อย่างนี้ก็เป็นวิภาวะตนหาไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากตายก็เป็นวิภาวะตนหาอยากกล้ามอยากกลวยก็เป็นภาวะตนหาอยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นภาวะตนหา คามจริงไม่ต้องไปสับ ไ, ไปสนใจว่ามันเป็นตัวไหนหรอกขอให้รู้ว่ามนันปัญหาความอยากก็พอแล้วต้องหยุดมันให้ได้ความอยากต่างๆาใช่เนี่ยเชิญเชิญถามได้คำถามจากคุณดิมโพลูกควรวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้ทุกข์กับปัญหาและเรื่องราวต่างๆที่ญาติพี่น้องมักจะนํามาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆเจ้าค่ะพิจารณาว่าเป็นอนัตตาไป เหมือนกับดินฟ้าอากาศดินฝนจะตกแดดจะออกอากาศจะร้อนหรืออากาศจะหนาวเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้คนนั้นจะเป็นอย่างนี้คนนั้นจะเป็นอย่างนั้นเราก็ไปห้ามก็ไม่ได้เขาปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาไปเราเพียงแต่เป็นผู้รับรู้ก็รับรู้ไปพยักหน้าไปครับครับข้าข้าจบมดแล้วเหรอ จริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่เราไปหลงไปคิดว่าเป็นสัต์เป็นบุคคลที่เราสามารถที่จะไปสั่งเขาไปควบคุมบังคับเขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความอยากของเราพอเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ใจเราก็เลยทุกข์ใจเราเลยไม่สบายแต่ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เหมือนลมพัดเหมือนแดดออกเหมือนนกร้องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้ามันได้ที่ไหนมันจะร้องอย่างเงี้ยก็ปล่อยมันร้องไป <nes> ถ้าเราไม่ไปสนใจไม่ไปอยากให้มันไม่ร้องเราก็ไม่เดือดร้อนใจเราเดือดร้ <nes> อนเพราะไปอยากไปแก้เขาไปเปลี่ยนเขา <nes. S 2> เราเป็นส้มก็ อ, อยากจะให้เขเป็นกล้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นกล้วยเราก็เดือดร้ <nes. S 2> อนเขาไม่ดีอยากเขาดีอย่างเงี้ยพอเขาไม่ดีเราก็ไปเดือดร้อนกับเขา เราไปทำเราไปทำปเปลี่ยนก็ได้ที่ไหนเนี่ยก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ถ<ม>้าปล่อยก็เป็นไปเรื่องตามเรื่องของเขาตามบุญตามกรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมใครทํากรรมบันไดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเราก็เพียงแต่บอกก็ได้ว่าทำํำนงงี้ไม่ดีนะ<ม>เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเสีย<ม>แต่ถ้าเขาไม่ฟังไม่เชื่อก็เป็นเรื่องกรรมของเขาไปเขาก็ต้องไปนคนรับวิบากของเขาไป คำถามจากคุณพงพันธ์การที่เราแต่งนิทานธรรมะเพื่อสอนเด็กๆให้รู้่าปบนคุณโทษนั้นจะเข้าข่ายผิดศีลข้อมุสาไหมครับถ้าไม่โกหกก็ไม่ผิดนะทำไมต้องแกะให้มันโกหกด้วยล่ะต้องให้มันพูดไปตามความเป็นจริงธรรมะของพระเจ้าเป็นความจริง ท, ทุกประการไม่มีมุสาอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่บทเดียวบาทเดียวก็สอนแบบพระพุทธเจ้า ถ้าเรายังสอนแบบแบบไม่มูสาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปสอนกักนเลนอย่าไปทำบุญนะทำบาปควบกวู้กันไปได้ไม่คุ้มเสีย mm. แล้วถ้าเขาทราบภายหลังว่าเรามูสาเขาก็จะเสื่อมศรัท ธ, ธาในคำสอนต่อไปเพฉะนั้นต้องเอาความจริงอย่างเดียวถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็อย่าไปสอนคนอื่น mm. อย่าเพิ่งไปเป็นอาจารย์เลย mm. เป็นเป็นอาจารย์สอนตัวเราให้ได้ก่อน ทำ ต, ตัวเราให้พ้นทุกข์ก่อนดีกว่าเมื่อเราพ้นทุกข์แล้วทีนี้ก็จะสามารถสอนคนอื่นได้อย่างอย่างอย่างฉุดจริตอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงอย่างไม่มีความรู้สึกว่าจะจ ะ, จะต้องโกหกหรือแต่อย่างนั้นพูดตามความเป็นจริงคนที่พ้นทุกข์แล้วจะไม่มีกิเลสครอบงำจะไม่มีไม่มีไม่มีความอยากได้ผลประโยชน์จากผู้ฟัง สอนตามความเป็นจริงผู้ฟังจะเชื่อไม่เชื่อจะชอบไม่ชอบมันไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเป็นความจริงที่จะเป็นประโยชน์กับเขาถ้าเขานาออกไปปฏิบัติได้แต่ถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่ชอบเขาไม่เป็นไรก็ไม่ต้องมาหาเราก็เราก็สบายไม่ต้องมาสอนเงินให้หน่อยคนที่เชื่อเนี่ยลำบากต้องคอยสอนยู่เรื่อยๆมาอยู่เรื่อยมาอยู่เรื่อย คนที่ไม่เชื่อดีบางวันเดียวไปเลยไม่กลับมาเลยไม่เป็นภาระไม่ไม่เหน็ดเหนื่อยนะถ้าคนถ้าถ้าทำใจเราให้พ้นพ้นจากความอยากแล้วมันสอนคนอื่นมันสอนง่ายถ้าใจเรายังมีความอยากอยู่อยากให้เขาเชื่ออยากให้เขาทําตามที่เราสอนพอ ก, ก็ไม่เชื่อไม่ทําตามให้เราสอนเราก็เสียใจขึ้นมาดังนั้นอยากเพิ่มใบสอนถ้าเรายังขาด เรายังผาาข้ามใจเราไม่ได้ถ้าเรายังมีความอยากอยู่อยากไปสอนต้องสอนด้วยความไม่มีความอยากสอนแต่จำเป็นต้องสอนเพราะจนมุมเพราะไปไหนเขาก็ตามไปก็ลองสอนไปอย่างนี้จะจะเป็นประโยชน์ทั้งคนฟังและคนสอนคนฟังก็จะได้รับประโยชน์ ส อ, สอนก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยสอนเราจะรู้สึกอิ่มสบายใจพอใจที่ได้ทำคุณทาประโยชน์ได้ช่วยเหลือพว้นมนุษย์ด้วยการให้เห็นความจริงให้ละกิเลสตัณหาให้พบกับใ ห, ให้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจได้ก็เป็นเหมือนหมอที่รักษาคนไข้า้ารักษาให้คนไข้าหายได้หมอก็รู้สึกมีความสุขใจคนไข้ก็ดีใจสุขใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่ต้องทําด้วยความยินดีทั้งสองฝ่ายคนไข้ก็ยินดีให้หมอรักษาหมอก็ยินดีที่จะรักษาคนไข้มีคําถามยังไหมยังไม่มีเลยถ้าไม่มีก็มิค่ะอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ